ฟังธรรมก็จะพูดให้ฟังพูดให้ดูทั้งฟังทั้งดูแล้วก็เห็นไปด้วยทำความเห็นให้ถูกต้องเวลาเราฟังเวลาเราได้ยินเวลาเราได้ดูเวลาเราได้กลิ่นเวลาเราเราได้รสทำความเห็นให้ถูกต้อง การที่จะทำความเห็นให้ถูกต้องต้องมีสติตัวสติเนี่ยเป็นรุ่งอรุณของสมมธิทิฐิทุกอย่างถ้าไม่มีสติเป็นรุ่งอรุณเราก็ยังมืดยังมืดอยู่ต้องเปิดรุ่นอรุณรุ่นโดยความรู้จักตัว ความรู้สึกตัวนี่ทำหน้าที่เป็นการดูการเห็นเห็นแจ้งความรู้สึกตัวนี่เกิดความเห็นแจ้งเห็นแล้วฉเฉลยได้ตัวเห็นนี่สำคัญแต่ถ้าเราไม่ดูมันก็ไม่เห็นถ้าไม่มีตัวดูตัวรูปมันก็ไม่เกิดการเห็น เราจึงสร้างตัวรู้ไว้เป็นหลักเป็นหลักของจิตเป็นหลักของชีวิตเราจะมีความรู้เป็นพื้นฐานความรู้สึกตัวไม่ใช่ความรู้ที่เรียนรู้แบบการศึกษาทั่ทวไปเป็นความรู้ศึกตัวในกายในจิต ของเราล้วนอื่นก็ว้าก่อนปฏิบัติปริยัติเป็นสองเอาปฏิบัติเอาการลู้การเห็นการตรวจสอบตัวเองต้องสร้างตัวลู้ตัวดูในว้เป็นบทลำนำเป็นบทท่องจำ ไม่ใช่ปากท่องจำเหมือนกับเรียนปะปาเตโมกเหมือนกับเรียนนวโกวา่าต้องกับเรียนมาลีการท่องจำภาษาใจคือใส่ใจที่จะลู้อยู่เสมอถ้าตัวลู้แบบนี้ถ้าท่องจำแบบนี้มันไม่ลืมถ้าท่องจำแบบอืม ตัวนังซือมันลืมเป็นให้สติมันเห็นกายไปในกายรู้ในกายให้สติมันเห็นจิตใจไปในใจิต ใ, ใจรู้ในจิตใจจนชำนิชำนาญจนคล่องแคล่วมันรู้มันรู้มันเห็นก็เกิดการพบเห็น แล้วก็ว่าอะไรก็ตามเมื่อเข้าถึงภาวะการพบเห็นมันก็จะต้องมีฤทธิปฏิหารา ว, ว่าเห็นเนี่ยมันเป็นทางหลุดพ้นก็อยู่ตรงนั่นแหละเป็นปัญญาก็อยู่ตรงนั้นเป็นศีลเป็นสมาธิก็อยู่ตรงนั่น เป็นปรมาถสภาวะธรรมก็อยู่ตรงนั่นภาวะที่เป็นเหมือนโลกภาวะที่เห็นคนพ้นโลกถ้าอยู่ในโลกก็มีไม่มีโอกาสที่จะชนะโลกได้ก็ถูกโลกทับถมทำห้โกรธทำห้ทุกข์ทำห้รักทำห้ชังทให้ ยินดียินไล่อ่าเห็นแล้วก็เหนือแล้ววะเหนะือโลกภาวะที่ดูเนะี่ยแล้วก็มีแต่ตัวรู้สึกตัวมีแต่ปัจจุบันมีแต่ปกติความปกติความรู้สึกตัวชีวิตเป็นปัจจุบัน นี่เป็นจิตที่ไม่ต้องทำอะไรอีกเป็นชีวิตที่ไม่ต้องทำอะไรอีกแต่ใครยังวิ่งไปอดีตไปอนาคตยังไม่ปกติยังฟูๆแฝบๆแต่ชีวิตต้องมีภาระก็ะต้องมีหน้าที่มีธุระมากถ้าไม่ทำให้มันเสร็จมันก็เป็นชุดเป็นภาระ เอาละ